เจ้าที่ตนรบแล้วก็ขอคารวะท่านอาจารย์สุบีบุทองและก็นรุโมทนาบุญกับผู้ที่จัดงานและผู้ที่เข้าไปทั่วงานที่โรงพยาบาลสุรินในวันนี้ผมรู้สึกอินดีนะที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระทำ ก็จะมาพูดคุยให้แน่คิดให้กําลังใจเกยเรื่องการปฏิบัติธรรมในการใช้ชีวิตที่อย่างเหลืออยู่จริงแล้วก็ไม่น่าจะล่าสมัยที่จะมาแสดงความดีที่ได้มีโอกาสไปมาพบกันหลังจากทีใหม่ผ่านไปแล้ว เราเพราะเป็นผู้ที่มีบุญนะที่ได้มาเจอกันในช่วงที่อีพุธศักรารใหม่นีไปสํารวจเกิดหลายคนที่หมดบุญไปแนละ้ว <c ười> อยู่ไม่ถึงในวัดนี้หรอกหายไปหลายคนเราไปสำรวจ ด, ดูแนตะ่เหลือไม่เท่าเก่านั่นคือหมดบุญไนปะเรายังมีบุญอยู่ ที่ได้มันเจ็มบเจอกันไอ้ที่ว่ามีบุญเนี่เพราะว่าเราสามารถที่จะรอบรังทำบุญได้นะสร้างประโยชน์ให้กับตนเองแล้วก็ผู้อื่นได้และถึงสุดแรกเนี่ยเรามีโอกาสที่จะพัฒนาจิตไปสู่ความสิ้นทุกข์ได้ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ถ้ากับเรายังมีโอกาส เมื่อเราอยู่มาได้ถึงวันนี้เนี่ยเราก็จะามประมาทที่จะสร้างบุญต่อไปนะบุญมันก็มีวันหมดไปเหมือนกันก็เราใช้บุญไปทุกวันนะสิ่งที่เราใช้มันก็มีแต่จะหมดนะเราต้องสร้างนะให้มันขึ้นมาใหม่ ต้านบุญการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาการทำประโยชน์สิ่งนี้นหะรู้จักไปบุญนะครับจะทบให้เราดำเตินชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยยังมีความสุขอย่างประฝันที่ก็อยากจะถามว่า ในต่นที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยธรรมะข้อแรกที่ชาวพุทธควรรู้มันคือ <c oughs> นะอะไรตอบในใจนะธรรมะข้อแรกที่ชาวพุทธควรรู้มันน่าจะเป็นข้อไหนนะนะตอบในใจตอบแล้วนะ <c oughs> อะไรหมามสุขของผมเนี่ยเพราะว่าความไม่ประมาทตัวเป็นธรรมบ้านข้อแรกที่ชาวบุตรควรรู้หลายใครตอบความไม่ประมาทว่ามันไม่ไม่ไ ม, ม่ถูกไม่ผิดหรอกข้อไหนก็ได้นะที่ชาวบุตรควรรู้แต่ผมเห็นว่ามันอยู่ใกล้ตัวเราความไม่ประมาทเนี่ยถือว่าเป็น ยอดแห่งกุศลธรรมเลยนะเป็นยอดแห่งกุศลธรรมธรรมะทั้งหลายที่เป็นฝ่ายกุศลเนี่ยจะสรุปลงในความไม่ประมาทนั่นแหละความไม่ประมาทคืออะไรคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความรู้สึกตัว ตื่นตัวอย่สมเสมอนั่นเป็นความหมายความไม่ปรับมาคนที่มีความรู้สึกตัวทีม่มีสติมีความประมาทในตัวเองก็ดูไม่ต่างจากผู้ที่ตายไปแล้วคนตายเนี่ยไม่มีจิตวิญญาณไม่มีความรู้สึกตัวเป็นร่างกายที่ไรยวิญญาณ ไม่รู้ตัวว่าเรายังมีบนโลกนี้เหมือนกันเรายัางมีตัวเราอยู่บนโลกนี้เพราะกายอยู่ที่นี่แต่จิตใจเลื่อนลอยเ่าไม่รู้สึกตัวก็เลยตายคนตายไปแล้วตายกับว่าเมพุทธิรู้สึกตัวเนียจะรู้ว่าตัวเราอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่กายนั่นอยู่นี่ ใจก็รู้อยู่ว่าเรากำลังนั่นกําลังไฟอยู่อันนี้ตัวผู้ที่มีความรู้สึกตัวความรู้สตัวเนี่ยมันเป็นความหมายเดียวกับความไม่ประมาทคือความตื่ น, นตัวอยู่เสมอเสมๆผู้ที่มีความรู้ตัวเนี่ยต้องเป็นการละความชัว่วทําความดีอยู่ในตัวนั้น เป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาความรู้สึกตัวเลยเป็นทั้งหมดในพระพุทธศาสนาก็มาได้เป็นทั้งคําสอนแล้วก็การปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นผมคิดว่าไอ้ความคิดบันดาลและความรู้สึกตัวตื่นตัวเสมอเนี้ ก็คือธรรมั้นพ่อแรกที่ชาวพุทธควรรู้ไว้แค่พ่อเดียวเนี่ยมันก็เอามันใช้ในการเปิดโลกชีวิตได้ทั้งหมดเลยก็จะเกิดตื่นตาความรู้สึกตัวตื่นตัวอยู่สมอเสมอเนก็เป็นความหมายเดียวกับพุทธฆาหรือบุญโทพุทธโทแปลว่า ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นหละเข้าถึงความเป็นพุธทธะเรียบร้อยอะถ้ามีความรู้ตัวคือนตัวเสมอเราต้องเยียวยาในชีวิตเราในเน้ในตัวของเราทำให้เกิดขึ้ น, นตัวเราเสมอๆคือความรู้ตัวตื่นตัว ทีนี้ว่าถ้าเราอยากบวกล่อ้องยังไม่ค่อยรู้ตัวเราจะเลยต้องพัดพาสื่อเหานี้ขึ้นที่ทุกคนอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ค่อยัะแตกหน่อเราต้องรดน้ําลดน้ําพื่อความรู้ตัวตื่นตัวเข้าไว้คือการฝันที่จะรู้สึกบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆนะเนี่ยเป็นการรดน้ําให้หน่อยคุทธะตั้งแต่ตัวน ต้องทำขึ้นบ่อยๆความรู้สึกตัวเนี่ยทำที่ไหนต้องไปทำที่วัดหรือที่สำนักปฏิบัติหรือที่ใต้ก้นโบเฉพาะที่นั้นเลยหรือด้ป่าในเขาความรู้สึตัวทำที่ไหนคนระับ ก็ทำที่เรื่อง์ตัวเราจะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยเรต้องทำอยู่ที่กายที่ใจเราแค่นั้นเวลาเราไปฟัครูบาอาจารย์ปท่านสอนกรรมฐานแนนการปฏิบัติทาสมาธินี่ยรักษาศีเจริภาวนาท่านให้เราไปทาที่ไหนก็ทาที่ชีวิตตัวยอมแต่ก็ทที่กายที่จิตยอมฉะนั้น ความรู้สึกคือสติเต่าคือกายคือจิตนะ <c ười> ก็ตับทิ้่ตัวเราเพราะว่าต้นตอของความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นที่กายที่จิตโดยเฉพาะที่จิตความทุกข์เกิดขึ้นที่จิต <c ười> แปลว่าร่างกายิดมีความทุกข์แต่ถ้าจิตใจเราไม่ยึดมั่นถือมั่น จิตมันก็พวัจากความทุกข์ไปได้แต่สภาพร่างกายที่เป็นทุกข์กายกับจิตเป็นที่ใต้ความที่มั่นถิ่นมันม่นกรรมทั้งหลายมันก็เกิดที่กายที่จิตกันนั่นนั่นคือตอน้นตอนความทุกข์ถ้าเมีความรู้ตัวตื่นตัวหันกลับมาดูตเองเนี่ยเราจะรู้ความจริงในเรื่องของกายของจิตและก็จะปล่อยวางมัน ไม่ที่มั่นถึงมันกายจิตให้เป็นทุกนขะ์ทำที่กายที่จิตถ้ากายจิตอยู่ที่วัดก็ไปปฏิบัติที่วัดกายจิตอยู่ที่บ้านกา็ไปปฏิบัติที่บ้านกายจิตอยู่ที่นะต ใ, ใต้ต้นโพเราก็ทำความรู้ตัวไดนะนะ้ที่ไหนก็ได้นะที่มีกายมีจิตเราสามารถที่จะสร้างความรู้สึกตัวได้ อยู่ที่เร่ที่ตัวเรานะ็นการพัฒนามันขึ้นมาปรบท่ารู้อะไรื่นขึนมาแล้วเวลาไหนนะที่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะมาทำความรู้จึกตัวตื่นนอนตอนเช้าหรือในยุคจังวัะหรือก่อนนอน เวลาที่เหมาะของที่สึดและก็ดีที่ฝึแในการที่จะมาทำความรู้สึกตัวเะ่ <c oughs> ปล้ว <c oughs> เวลาที่ที่สุดใายการทำความรู้สึกตัวคือเวลาที่รู้สึกตัวนั่นแหละเป็นลองที่ดีที่สุดเลย่ไ <c oughs> เพราะเวลาที่แย่ที่สุดคือเวลาที่ไม่รู้ตัว แยกไปคำตอบเพรา ะ, ะที่เราเป็นตัวเนี่ยนะบรรดาทีเลวความทุกข์ <c oughs> ที่มันเกิดจากความคิดนึกตงุงตันซึ่งมันเกิดได้ทุกเวลามันไม่เลี่กมันไม่บอกระลหน้ากเลย <c oughs> มันก็เกิดขึ้นมาได้เลยนะัะความทุกข์และทิ่เลว การคิดนึกปรุงแต่งมันเกิดทุกเวลาแหนะในภาวะที่จิตมีความรู้สึตัวภนาะวะนั้นน่ะจะปราศจากกิเลสทั้งหมดเลยกิเลสจะมีได้ก็เฉพาะเวลาที่เราคิดนึกปรุงแต่งใช่ไหมตนะ่แล้วเวลาเรามีความรู้สกตัวตื่นตัวสดเลยเนี่ย ความคิดนึกตรงแต่งจะไม่เกิดขึ้นในภาวะของจิตขณะนั้นแล้วที่สำคัญที่ส่วนลยคือทุกขณะจิที่เรามีความรู้สึกตัวตื่นตัวเนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะพัฒนาจิตริษจจากจิตที่เป็นอุตุชนไปสู่ความเป็นอริยชนได้ทันทีเลยนะเรามีโอกาสที่จะ บรรุทำไปทุกขนาดจิตไม่เลือกนะนันอ่อย่าให้าย้ายผ้าห้ายผ้ารงได้ยินไปลานั่งรู้สึกตัวได้ไหมนอนก็รู้สึกตัวได้ใจยืนก็รู้สึกตัวได้เดินก็รู้สึกตัวได้ เวลาขับรถรู้ตัวได้ไหม <c oughs> เวลาทางอาหารเวลาโทรตักท์รู้ตัวได้ไหม <c oughs> รู้ตัวได้ขนางนั้นแหละถ้าเราจะรู้สึกเหมือนกันไปมันก็รู้นะนะครับทุกเวลาทุกสถานที่ที่มีกายเปจิตเราสามารถที่จะรู้สึกตัวตื่นตัวได้เลมอเ นั่นอย่าไปปล่อยเวลาให้ผ่านไปนะให้รู้สึกเขาไว้อาจจะประทุทำในกิจปัจจุบันนี่เลยก็ได้แล้วความรู้สึกตัวเนี่ยทำอย่างไรอ่ะทำอย่างไรไปยินได้ฟังมาบ้ากแล้วไม่ต้องทำอะไรมากใช้ชีพ ต, ตามปกติดังนะ เพียงแต่ตั้งใจสัมผัสตั้งใจจะรู้สึกรู้สึกประวัตที่กายนะรู้สึกประวัตที่กายในปัจจุบันนี้เนี้ยเรารู้สึกว่าเา้านได้ยุ่งเนี่ยด้านหลังเกิความรู้ตัวได้ปฏิบัติแล้วได้มีปัจจุบลลันนี้เวลาการเคลื่อนไหวนะไปทาําอะไรก็ให้รู้สึกแท้เด่นะ เวลาจิตมันคิดมันนึกอะไรก่อนให้รู้สึกมันจะคิดเรื่องอะไรก็ตามให้รู้สึกโดยว่าความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดเนี่ยเยอะอะความวิตกกังวลความเบื่อหน่ายเราไม่ตั้งใจใช่ไหมนั่นหละความี่ตกกังวลความไม่พอใจความเบื่อหน่ายความกุ้งความเร็จความเหงา ความทอแท้ซึงเศร้าความกำลังใจอิจฉาสอย่างอืหัวเราไม่ได้เจตนาคิดนะแต่มันก็แอบคิดอยู่มาได้แล้วก็รู้สึกรู้สึกรู้ว่าอ่อนคิดกรนจบรู้ว่ามันคิดกรนจบเ <c oughs> พราะรู้ว่าคิดนะกระจบแต่ในชีวิตเราต้องตั้งใจคิดบางทีเราอาจจะคิดนะั้นต้องมีการวางแผนมีการคิดในแก้ปัญหานชีวิต ตอนคำถามพูดคุยเราตั้งใจคิดได้คาว่าตั้งใจในการมีสติตั้งใจคิ ด, ค, ดคิดอย่างมีสตินะเราจะวางแผนวางแผนแล้วก็จบนะอย่าไปวางแผนกลางคืนทางข้าวก็วางแผนข้าวน้นก็วางแผนอาหารหมดทามแล้วไปรู้อร่อยแบบไหน แต่แผนนี้จบเลยนะและกลับไป็นตอนจะลองก็ไลยวางแผนตอนคาว่าวางแผนเนี่ยมันมันมีชื่อแล้วในตัวนะคือต้องมีการวางมีแผนงานแล้วต้องวางนะก็เลยต้องเรียกว่าวางแผนอย่างมี่ตัดแผนเนี่ยต้องมีการวางแผนด้วยครับแล้วก็เราไปทํารู้ึลงแต่การตื่นตรสติเนี่ย ปึดทำความรู้สึกตัวเนะี่ยเราไม่จะ ช, ช่วงที่วางนะเราจะไปตั้งธุกิดอะไรให้มันรู้สึกว่ามันคิดแล้วกันจบแค่รู้สึกรู้สึกทีดเฉยว่ามันนั้งรู้สึกว่ามันคิดพอแนละ้วจบตราที่วามรู้สึกอย่าไปไม่ต้องมีคำปฏิกรรมอะไรไปต้องไปใช้ความคิดอะไร ไปต้องไปคาดหวังอะไรแค่รู้สึกมันก็จบจบลงที่ความรู้สึกกระจนะั้นไอความรู้สึกนี่แะมันคือสติคือปัจจุบันความรู้สึกมีได้เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นถ้ตเราเป็นจิตเดิมแท้ๆเป็นจิตที่ก่อนจะปรุงแต่งก็ต้องรู้สึกแล้วที่จะไปตนจิตทปรุงแต่งต่อไป เห่นไหมคที่รู้สึกว่าได้ยินเนี่ยรู้สึกไม่ด้ยินไหมนเนี่ยรู้สึกจิตขนาดแรกบริสุทธ์มากแต่ต่อไปก็พูดเพื่ออะไรใครเป็นคนพูดดีหรือไม่ดีเข้าใจหรือไม่แนละ้วไป็นจิตขนาดต่อไปปรฏิที่รู้สึกร้วนๆน่นคือจิตขนาดแรนั่นแหละเป็นปัจจุบันเป็ น, ปนจิตเดิมแท้ๆเป็นความไม่ประมาณทปัจจุบันอยู่ตรงนั้น แต่ละวันนรู้สึกได้และให้ทันปัจจุบันถ้าไม่ทําได้ไปดำทิ้งไปเลยให้เริ่มตรู้สึกใหม่มันเป็นอดีตไปแล้วพอไม่ทันก็ปล่อยมันผ่านไปแล้วก็รู้สึกใหม่ตั้งต้นรู้สึกใหม่ตั้งต้นรู้สึกใหม่เป็นชีตใหม่เรื่อยมันหลงไปแล้วเกิดเัาไม่เป็นไรหรอกมันเผยแล้วมาแล้วก็ตั้งต้นจะรู้สึกใหม่ตั้งต้นรู้สึกใหม่เรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้อะไรได้จิบ จิตดวงใหม่จะค่อยๆเรื่อยๆเราคิดเราจะเป็นใหม่จะบริสุทธิ์จะใหม่หรือเสมอเสมเนี่ยมันผ่านขอให้ผ่านไปทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแล้วนะไม่มีสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นท้าวอนะไรนั้นเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแล้วก็ดับไปแล้วมันก็เกิดใเกิดใหม่แล้วก็รู้สึกใหม่ให้เป็นปัจจุบันใหม่ แล้วก็ทิ้งก็รู้แล้วก็ทิ้งไปกางไปอย่าไปทิอยจะได้ติดออเอาไว้อย่าไปขุ้นคิดจอหลังไม่เดียวจะไปที้เก่าๆถอยหลั ง, อ ง, ลงของเก่ามาติดอยู่นั้นรู้สึกต้หม่แล้วิด้วยเก่ามาสานใะหม่นัทเอาใหม่ดีกว่าอร่อยกว่ารู้สึกใหม่ตั้งต้นใหม่ใหชิ้งเราจะใหม่อยูเสมอๆเนี่ยทำเรื่อยๆทำให้ต่อ รู้ได้ขนาดก็แค่นั้นแต่คอยมีการตั้งต้นจะรู้ใหม่เรื่อยๆเด็กมันก็เกิดความเคยชินที่จะรู้สึกเกิดความเคยชินที่จะรู้สึกมันง่ายจะรู้สึกและมันยากเกิคิดนึกตรงตัวนะที่ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยชอบคิดคิดคคิดไม่ค่อรู้สึกแต่เราสอนคิตใหม่ตอนจิ่ที่มันรู้สึกมันรู้สึกมากกว่าเป็นการคิด แล้วจริงมันจะเคยที่จะรู้สึกก่อนแล้วก็คิดอย่างเป็นระบียบระมบนะเนี่ยการอะไรก็มีแค่นี่ยรู้สึกตัวลม ป, ปัจจุบันอยู่ที่กายเลื่อดไหลรู้สึกจิตใจคิดนึกก็รู้สึกแคนั้นะจบลงที่ความรู้สึกมันเป็นผลอยู่แล้วในตัวแห่งความรู้สึกมันไม่ยากยากที่เราอยากไม่ได้ทํามัน ถ้าทำได้หรือยางถ้าเราทำถูกต้องเนี่ยเราจะมีแต่เรื่องผ่อนคลายแล้วทั้งไม่จิตใจจะเบามันจะผ่อนคลายไม่น้มีความเปิดคลายในจิต ท, ที่มันรู้สึกเบื่อ <Okay. S 1> ขอให้เราทำแบบตั้งใจทำสักหนอ่อยจะไปะรัแเลงสงสยัยทำาล้วจะได้อะไรเราเสียเวลา ทำให้เธอเดี๋ยวได้มันก็มันก็ขึ้นในตัวเองอยู่นะอย่าไปกาปรลู่กสายอย่าไปคาดหวังจบเรามีความรู้สึกมันก็ได้ผลเดีในในตัวมันเองไม่ต้องไปคาดหวังมันจะทําให้เราเครียดเพียงแต่เรารู้สึกทกิเรเล็กกิร้อยกนะ็ใช้ได้นะให้สะสมไปเรื่อยๆอยเรื่อยๆอยืยนะเหมือนเราสะสมสตาร์กิรบ า, าทีละบา ไม่ช้ามันก็ต่นเจออะไ้เตียนน้อยในชีวิตประจำวันอย่าให้พลาดเดี๋ยวต่อไปมันก็ไต่ไปเองต้องทําบ่อยๆขยันรู้ขยันรู้ขยันรู้สิบบ่อยๆอันนี้ในชีวิตประจำวันถ้ามีเวลาเราก็ต้องฝึกในยามว่าง มีรูปแบบของการทําความรู้สึกตัวพยายามว่าอาจจะเดินจนกงกรงก้าวนะครับให้รู้สึกรู้สึกรู้สึกในการก้าวเดินเวลาเดินก็รู้สึกนะในเดินจงกลมเดินไปเดินมาให้รู้สึกนะอันนี้เป็นรูปแบบหน่อยเราชอบนั่งหลัตาก็ได้นั่งหลับตาดลูลมหายใจใหาใจก้าก็รู้สึก ไอ้จอเขรู้สึกหรือคนที่ชอบการดนติแบบเคลื่อนไหวตามแรรูพัดเทียนที่นี่ก็มีนยรูปศิลป์ของพ่ อ, เ, อเขียนรูปปาสุกตโตก็มีก็ดันพลิกมือยกมือเคลื่อนไหวเป็นจังหวะในการทำความรู้ตัวก็ได้ให้เรียบรูปแบบในการปฏิบัติเป็นการทำให้เรามีกำลังจิตจะมีกำลังมากขึ้น จิตจะมีแรงมีกาลังทีนี้เวลาอยู่ในชีวิตประจำวันก็จะง่ายที่จะมีสติมีความรู้สึกเวลาตื่เราครบเวลาสง บ, บเราซ้อมเตรียมพร้อมให้ประมาทเวลาตื่นประมาทคือเวลาใช้จิตประจำวันให้เราฝันที่รู้สึกตัวบ้านั่นคือเวลาตื่นเวลาสงบไม่ได้ทําอะไรอยู่ว่าก็ซ้อมในรูปแบบ ต้องเพียงพวาอมเอาไว้นี่คือความไม่ประมาทเป็นความไม่ประมาทเป็นธรรมะข้อแรกที่อยู่ในตัวเราความไม่ประมาทเคยมีคนถามว่าแล้วเราจะสสรู้สึกตัวไปทำไมสงสัยไหมกันรู้สึกตัวไปทำไม ผมก็ถามว่าแล้วเราทุกข์ทำไมอ่ะถ้าเราไม่ทุกข์ไม่ต้องไปทําอะไรเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยในการป้องกันความทุกข์ในจิตใจน่ะไปทั้งการเป็นทั้แก้ไอ้ที่เราไปทุกข์เนี่ยเพราะเราไม่รู้สึกตัวนะเราไม่รู้ตัวเลยที่เป็นทุกข์ทุก อะไรได้เกิดความไม่รู้ตัวเมื่อเราไม่รู้ตัวเราก็ไม่รู้จักตัวเองก็หลงยึดมั่นถือมั่นไม่รู้ความจริงเกี่ยวเรื่องของกายเลยื่งจิตเพราะไม่รู้สึกตัวมันก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นทุกข์่เราทำตัวเราเองความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกเกิดขึ้นที่ความหินปิของใจเราเอง สมมุติว่าเวลาเรากระทบอารมณ์คือความไม่พอใจเกิดความโกรธแล้วกระทบอื่นก็ทำเราให้เราโกรธเมื่อเวลาที่ความโกรธมาเราก็ยึดมัน่นถือม่นในความโกรธหรือว่าเราโกรธเอาความโกรธไปเราเราเป็นผู้โกรธ คนที่มีความรู้ตัวเนี่ยก็จะรู้ทันในความโกรธนั้นความโกรธนั้นก็ไม่เข้าถึงจิตความรู้สวนรักษาจิตให้เป็นปกติความโกรธนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ลังก็ลังดับหายไปรักษาจิตให้เป็นปกติได้โดยที่ต้องระเบิดอารมณ์ออกมาทางกายทําร้ายคนอื่นหรือทางวาจาเสียดแทนคนอื่น ส่วนคนที่เวลาเกิดความไม่พอใจมีอารมณ์โกรธขึ้นมาเนี่ยไม่มีความรู้ตัวมันก็ระเบิดอารมณ์ขึ้นมาทางกายทางใจทำให้คนรอบข้างเนี่ยก็เกิดร้อนมีมั้ยที่โรงพยาบาลตลินมีคนรอบข้างผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมงานเนี่ยเคยเระเบิดอารมณ์ใส่เราไหย หลายไทยเคยตุกเขาแบบอารมณ์บ้างเขาเครียดเขาทุกข์แต่เขาเอาความเครียดความทุกข์ไปโยนใส่เราทำให้ความรื่องตัวในเราสบายเลยก็เราองไห้เราเราบ่นเราซ่แล้วมันก็ผ่านไปไม่ใช่เรื่องเราเรื่องอะไรจะไปติดโรคเครียดจากเขาถ้าเราไปทุกเขาเล้วอารมณ์ใส่ แล้วก็เตะล่อทุกข์ล่อเครียดอะไรกันเราไม่มีภูมิคุ้มกันทางจิตเลยเ <ừ. S 1> จ้าความรู้ส่วนในมันกทําให้จิตเราได้มีภูมิคุ้ ม, มกันต้านอารมณ์นะั้นดีกับบิ๊ <c oughs> กแบงอีกบิ๊กแบงกั้นแค่นาำบางทีกันไปอยู่แต่ความรู้ส่วนที่กั้นอารมณ์ไนดะ้ <c oughs> บางคนก็บอกว่าถ้าเราเครียดเราไม่ระบายเอาลมออกไปแทนเราก็เครียดหนักทุกหนักมันจะได้ตามใจถล้วระบายความเครียดออกไปาคนบอกว่าระบายกไ็ได้นะมันไม่ดีต้องเก็บเอาไว้เก็บกดเอาไว้เกออ็บกดไว้แล้วเครียดการระบายออกไป ระบายอารมณ์ความเรื่อออกไปให้คนข้างๆเขาได้รับความเร้อนบางคนอื่นเดือดร้อนเราสั่งใจแต่ก็าเดือดร้อนอัเนี้ยเท่ากับเป็นการสะสมสะสมในสิ่งที่ไม่ดีเอไว้สะสมความสั่งใจในสิ่งที่ไม่ดีเอไว้เนี่ยนะในเวลาเท่ก็จะระบายเท่กระบายมันก็ยังไม่ถูกต้อง มก็เก็บกดไ ม, ไม่ได้ระบายเก็บเอาไว้เอาไว้ไวแล้วก็คลี่ตัวนเดียวแต่ก็อื่นไม่เป็นไรมันก็ดีนะดีกว่าระ บ, บายเอาไปคนื่นเดือดร้อนและตัวเองก็สะสมความสั่นใจเอาไว้มันก็เป็นที่ พ, อพ่อคุนสิ่งที่ไม่เกี่ยวไว้อคุศลเต็มกดก็ไม่ดีระ บ, บายเอกไปก็ไม่ดี แล้วเราจะทำยังไงมันสุดปองทุกสองด้าเลยนะเก็บกดก็สุดปองไปได้หนึ่งระบายก็สุ่นปองไปหแต่พระพุทธเจ้ามีทางสายการพุทธเจ้ามีทางสายการอาศัยธรรมะบนฝันถ้าแต่ว่าบุคคลไม่ควรกรดเหตุที่ควรกรดไม่มีเพราะความกดมนันทำให้เราต้องเป็นทุกข์ โกรธทำไ ม, มจึงไม่ต้องเจ็บปวดและไมต้องลำบากแต่ไม่ต้องโกรธไ <c oughs> อเ น, นี่ยคือทางสายกลางนะเนี่ยเป็นทางเลือกที่ที่ที่ททรอดปลอดภัยที่สุดเลยคือไม่ต้องเจ็บปวดและไม่ต้องาาลำมานแต่ไม่ดมั่นถืมั่นมันไว้จนเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาเรามีความรู้ตัวรู้ทันในความโกรธ เ่องความโกรธเนี่ยอาการก็มันเป็นยังไงมันร้อนมันเหน็ดเหนื่อยทั้งร้อนกระววยมันทุกข์ใช่ไหมเนี่ยสังเกตดูมันโอ้ยมันทุกข์เน็ใหไอ้ความโกรธขงเรา้เหน็ดเหือยร้กระไาจิตเราไม่ปกติห็นทุกข์แล้วเนี่ยดูตัวเรานะอย่าไปดูคนอื่นดูอาการความโกรธตัวเราความโกรธไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นเกิดข้ใจเราสักเ็นความโกรธอยู่ไอ้เนี่ย แต่ความ ป, ดปวดเมวานในมันนี้เองอยู่ไหมมันอยู่ตอนเม่เราคิดใช่ไหม <c oughs> ไม่มีหรอสัาพักหนึ่งมันก็หายนะมันมีตัวมีตัวอยจริงไหมความตวดมันมีอยู่ไหมมันมีตัวตนยู่จริงไหมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเริ่มเป็นอัลัสตาคือไม่มีตัวไม่มีตัวยู่จริงหรมันก็เกิดขึ้นตั้งจุดนั้นะหลังไปเป็นอัยทิจังทุกขกังกระตา เป็นไตรลักษณ์หนึ่งตัวเราสังเกตดูนะทั้งความโกรธทั้งความพยายามอางฆ่าทั้งความรักความโลภทุกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงหายไปมันไม่มีตัวไม่ตัวอยู่ที่พัหลมไม่ควรจะไปคิดบ้านตีบ้านมาให้เป็นทุกรู้และปล่อยมันผ่านไป้ง จิตเราก็จะเป็นปกติผ่อนใสยอยู่เหมือนเดิในโลกเราทุกวันเนี่ยมันวุ่นวายทาให้คนเรานิ่เครียดเนี้ยจริงๆเนี่ยโลกมันมันก็เป็นอย่างนั้นเรื่องโลกโลกแต่เราเครียดเพราะเราไปยิ้มบ้างถึงมันว่าเป็นเรื่องของเรามันเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของเรา เรื่องของเราคือมีความลู้ตัวรู้ถึงโรคซเราจะได้มีเครียดตามโรคอย่าลนะืความเครียดเนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่หลายโรค <c oughs> ทางด้านร่างกายแล้วก็ทางความเครียดนะฮะอย่าไปเก็บเอาไว้ทําความลู้ตัวเรืนเน่อยๆเป็นการสร้างภูมคุ้มกันทางจิต เอไว้ต้านอารมณ์ถ้ามีความรู้สึกสนุนสนุเนี่ยอารมณ์มันเกิดขึ้นไม่ได้อารมณ์มันเกิดขึ้นจิตจิตมันเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็จิตอยู่แต่ต้องมีความรู้สึกทางจิตเนี่ยมันแค่จบลงแค่ได้ยิน <c oughs> จบลงแค่ได้ยินเท่านั้น มันไม่ถึงใจเราต้องมีความรู้สึกตัวรักษาเอาไว้ไม่ต้องไปทำอะไรรู้สึกไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวจะเห็นว่าจิตตรงนี้มันอิสระจากการลณนเรา น, นเคยมีคนที่เป็นมะเร็งมาพูดคุยเป็นมะเร็งขั้นที่สิมะเร็ง มีหลายแห่งยมาคุยเขาบอกเขาเป็นทุกข์ความความคิดคิดกลัวตายเขาบอกเขาคิดรขากลัวตายพวามความคิดจะทําังไงที่จะไม่ให้กลัวตายเนี่ยเาบอกว่าไอ้ที่เรากลัวตายเรากลัวตายเนี่ยเราเคยตายแล้วหรือ เขาบอกไม่เคยไม่เคยแล้วัวตายเมยยต้องคนเคยตายเยอลัวดแสบทุกครั้งที่เราคิดเนี่ยนีหละเราตายทกังที่เราคิดกลัวตายเราคิดกลัวตายเมืเราตายแล้วเราตายจริงจริงเพียงครั้งเดียวตายแต่า ร, าา ร, ร่างกายแต่เราคิดกลัวตายวันละหลายครั้งเนี่ยโอ้เราก็จะตายจริงจริงเนี่ยโอ้ เราตายแล้วบอกเราเว้นว่เราตายเมื่อไหร่ได mm ้ความกลัวตายมาจากความคิดความตายไม่ได้กลัวถ้ากับารความกลัวตายแล้วความตายไม่ได้กลัวความคิดกลัวตายนั้นรู้สึกตัวให้ทันความคิดไปถึงเราจะได้ไม่ตายทั้งวันเขาบอกทำอย่า้จวางใจอะไรดีเวลาที่ ค่าขอางมาลงเพิ่มขึ้ น, น, นเขาเครียดมากไอ้ค่าเของมาลงเพิ่มขึ้ น, น เ, เราบอกไม่ใช่คุณเครียดคนเดียวนะหมอรูเคเรียดไงหมอทีนะ่รักษาคุณก็เเหมือนกันเขาควบคุมดูแลนะคุณอยู่แต่ค่าเขาแมาลงเพิ่นขึ้นคุณเครียดคนเดียวที่ไหนลนะ่ะหมอก็าเครียดเหมือนกัน แล้วเวลาท่าแสดงขึ้นแต่คุณปาจะได้จบแต่หมอนี่จะต้องเสีเคยคดีมากมายหวเราหลอสกสายรดมาเลยทําไมมีคนใกล้าตายไปคนนั้นเขาต้องคิดนะ่ะนียคิดเรื่องที่รักษาดูนในตัวเองคุณปาแล้วกระบอกปฏิบัติคุณแต่หมอที่เรียรต่อก็มีนะหน้าสงสารหมอนะ่ะ <c oughs> มันเป็นวิธีคิดที่อย่างหมอแต่ที่จะมองในตัวเองตัวเอ ง, เองลองมองคนรอบข้าง จะทํำไม่ได้ที่จะแยกกายแยกจิตกายเป็นมะเร็งแต่จิตไม่มีรูปอะไรเลยคำถามเคยเจอสติไหมเคยทําความรูยตัวมันไม่เคยไม่เคยแยกไม่ได้จะคิดแยกมันแยกกันได้ไอ้ความคิดนะมันไม่แยกกายแยกจิตมันยิ่งลวงให้กายจิตมันจิตออกก็เลยบกก็บอกวิธีคิดไปหน่อยหนึ่งว่า ลองคิดดูนะปริพันธกายเป็นมะเร็งใจคุณทุกไหมทุกทุกมากเลยทุกทั้งกายทุทั้งจิตการเป็นมะเร็งใจก็เป็นมะเร็งด้วยก็เลยบอกว่าเมื่อเรากระตุ้ที่เรา ก, ร, กนนาาา ร, ร ะ, ระกตุ้ส่วนบนเนี่ยท่านท่านบาตสมโตปรวกาพุทธทางประการต่างปฏิวัติมีส่วนบนไหมเนี่ยคอร์สถามไปว่ากายคุณเป็นมะเร็งไหยเป็นแล้วใจคุณใจกระตุ้นส่วนบน คุณแยกกายแยกอิรันและสมมตว่าร่างกายดูมันเป็นมะเร็งถ้าคุณนั่งหลับตาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทธโธใจมันเป็นมะเร็งไหมทำไมมันเป็นมันมีแต่พุทธโธพุทรูพุทธตึงมาบ้างใจมัไม่ได้เป็นมะเร็งเลยะใจมันไม่ได้มีความทุกข์นะเพราะใจเป็นอยู่กับพุทโธพุทธโธพุทธโธกายก็ทำหน้าที่เป็นมะเร็งใจก็เป็นทำหน้าที่พุทโธไเรื่อย มันแยกกันแยกถ้าม่าใจคุณไม่ทุกเนี่ยแล้วกลายเป็นเระเลมันแยกกันด้ <Yeah. S 2> อามันกลยุทธการกลายกับจิตกลายทำหน้าที่เป็นกระเลเกิดแก่จะตายก็เป็นไปแต่ใจเรา <Yeah. S 2> เบียยเจริญธรรมมีจารวนมนบริการผพูโทโธหรือทำควา ม, มรู้สึตัว เมื่อทำความรู้ตัวจิตจะตื่นจิตมันจะตื่นออกมาจากกายที่เป็นมะเร็งตืึงออกมารู้ตื่นออกมารู้แล้วก็มีความเบิกบานมีความรู้สึกตัวตื่นตัวคุณลองทูดูไหมถ้าทําความรู้ตัวได้เนี่ยคุณจะแยกกายแยกจิตจิตไม่ทุกแต่กายเป็นมะเร็งจิตมีความตื่นมีความเบิกบานกับสภาพร่างกายที่เป็นมเร็ง มันแยกกันหน้าเรามีความรู้ตัวคุณจะการคนที่จิตศพใสแม่งกลายเป็นมะเร็งก็ได้อ <c oughs> โอ้กับพ้มทากอง น, นะเปลี่ยนวิธีคิดเนี่ยพขเปลนวิธีคิดได้เนี่ยเขาก็เห็นช่องทางในการที่จะใจไม่ทุบในสภาพร่างกายแต่มะเร็งะดับที่สี่เขาได้ <c oughs> ลองไปฝึกทำความรู้ตัวนะ <c oughs> ก็ได well ้วิธีคิดและก็วิธีปฏิบัตินั่นว yes ่าการยุกมากมียิยธรามบางท่านเนี่ยไม่ได้เป็นบาริีไม่มีงานทาอายุมากแล้วแต่จิใจซึ่ึงเศร้าหาความสุขไม่ได้ก็ยังเคยมาคุยมาคุยอายุตั้ง98รูปหลาย เก้าสิบแปดปีเขอบอกว่าเตีย้ยเนี่ยซึมเศร้าหาความสุขไม่ได้เราก็เห็นแล้วก็สงสารนะอายุมากรุ่นราเขาเดินแบบพ่อของเราเลยเห็นแล้วเราก็รู้สงสารก็ถามว่ามันเป็นยังไงนะเก็สายสีสัมร่างกายก็แข็งแรงน่เก้าสิบาปแต่ใจเนี่ยซึมเศร้าไม่มีความสุขแล้วก็สงสาร โออยู่เม็เรือเก้าสิแปดีแต่ทําไมบ้างแต่ไรช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยจึงไม่มีความสุขมันจะเป็นเรือล่มเหมือนจอดเลยแล้วก็สงสารไห้ลองทําความรู้ตัวไมรู้ทำยังไงก็สงสารก็รำให้พวกเขาทำความรกตัวเอานิ้วมือสัมผัสกันสัมผัสกันเบา แต่ได้รู้สึกนะั้นตั้งใจรู้สึกที่มือสัมผัสกันให้น้ำหลุให้รู้สึกไปเขาเป็นผู้สูงอายุที่เปิดใจรับฟังและลอง ท, ทางําตามด้วยวัเราชอบมากเลยรับฟังเปิดใจรับฟังลอง ท, ทางําตามเราชอบท้าทวิถีคนหลองทํำดูถ้าลองทํำดูเนี่ยมันจะพบจ้องทางถ้าเป็นทางอะไรก็ไม่ได้แล้วก็ไม่เอาเลยอย่างนี้ไม่มีทางที่ออกจากปัญหาชีวิตนะ ให้เขาทาสัมผัสนิ้มือให้รู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกตัวแล้วตอนนั้นก็ท่านเคยทํานะให้รู้สึกตัวนั้วลานิ้วมันสัมผัสกันรู้สึกไหมรู้สึกอยางรู้สึกอยู่ไหมรู้สึกก็าทาความรู้สึไปได้สัมผัสหนึ่งก็คุยกับรูปหลานูปหลานผาก็ว่าเ <memories> <c oughs> ออเราเป็นล <c oughs> nice. ูปเนี่ยเราสามารถเรียนดูคุณพ่อ แต่อย่าให้คนกเนีตยได้ดูป่านเนี่ยเราเป็ผู้ที่ดีบุญสามารถเลี้ยงดูท่านจาอายุถึงเก้าถึงแต่การเลี้ยงดูผู้สูงวัยเรต้องเอาใจท่านหน่อยเอาใจท่านจะ่าไปขัดใจท่านอย่าไปตื้อไปบังคับท่านอย่าไปเขี่ยออกท่านเมื่อท่านทานอะไรท่านไม่ทานก็ไม่เป็นไรอย่าไปบังคับ อย่าไปหุ่นผิดผู้สูงอายุอย่าไปเอาเหเาเาตุเอาผลอย่าไปเอาถุเอาปิดเขาปล่อยเขาตามใจเขาหน้ารักจเอาใจท่านไม่ใช่ว่าไว้เขาทานอะไรแลว้วพอเขาไปทานก็หุ่นผิดนั่นคือเอาใจเรานะไม่ใช่เอาใจคอย่าให้เขาปฏิบัติใครก็เกินิดไม่จำเป็นบอกเขา เราเดินจมกรงให้เขาดูเดินจงกรมทาความสงบให้เขาเหเครเราก็จะทําตามไปก็แนะนำลูกหลาลูกหลานก็จะกดดันผู้สูงวันให้ทําในที่เราที่ลูกหลานอยากให้ทำพอไม่ทำก็หงุนหงิดเนี่ยไม่ได้เอาใจเขาเอาใจเราไแล้วแล้วกลับไปเดือนถัดไปทีนะโอ้สีหน้าแววตาของ เตี่ยของเตียเนีเปลี่ยนแปลงไปเลยนะรู้กบรว่ามัมีความสุขขึ้นไอความหมายไวความสูญเศร้าก็ไม่เกิดขึ้นสายตาที่มาหาผมก็เลยขะมองต่าลงเดี๋ยวนี้เป็นปากกายมองมาทั้งหน้ามองตรงิปผมก็ถามว่าเวลาเขาทำยังไงถูนิมือรันอ่าตอบเลยนะเวลา ก็รอดทยังไงถูนี้เหมยครับเวลาดูทีวีใช่ไหมถุนี้เหมืยครับโอ้แต่ว่าท่านไปปฏิบัติมาทุกอยก็งขอของสายขึ้นความโกรธไม่เมื่อยมีโอ้เราสุดใจเราเดีมีปิติเลยโอ้สามารถช่วยให้เขามีความสุขในปลายปลายของชีวิตได้เด็กที่อย่มาที่จุกรมเพื่อนบุญทำดีนะอายุร้อยสามนะยัง จากเก้าสิบก้าถน้อยสายัไปได้ยังมีความสุขด้วยแต่ร่างกายไม่ค่อยไหนลกหลานกหลุกหลาย ก, ก, ก, ก็ยิ้มแย้ในใระรูยปยไปคอยี่ปฏิบัติโอ้คชุชมดีมาลกลหลันก็มีความสุขเห็นตี่ยมีความสุขไอ้ความรื่นรวยมันเปลี่ยนทุคนได้ทั้งคนเลยนะัย่เลย ม, นะมันมัเปลี่ยนยุตได้คนทังคนแม้แต่ตัวผมเองเน่ ชีวิตผมเปลี่ยนเมื่อผมรู้สึกตัวเยผมก็เคยมีอาการเบื่อเศร้าเมาเซ็นเหมือนกันเมื่อเราทาอะไรไม่ได้หลังจากที่ร่างกายทีการผมก็เซ็นมันก็เบื่อไม่มีอะไรมีความทุกข์พอเพียงอยู่ระยะเนี่ยมันก็ทนไม่ได้แลต้องเรต้องปฏิวัติตัวเองมันไม่มีใครมาบอกเรา อ, อยู่กับบ้าน คุณพ่คุณแม่ที่เราเพื่ให้แค่กำลังใจเราต้องทำด้วยตัวเองต้องเปลี่ยนวิธีคิดมีมุมมองชีวิตมุมมองตัวเองใหม่แต่ที่จะมองว่ามองในสภาพของความไม่ปกติหรือความลำบากหรืออุปสาารรคต่างๆของร่างกายเราเปลี่ยนมุมมองใหม่ไม่มองในแบบลบแต่นั้นเรามองว่าเราจะฟื้นฟูนร่างกายโดยยังไง ให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเรานะเปลี่ยนวิธีคิดแล้วเนี่ยการเรียนมองในวัดแย่แล้วเราไม่ไหวแล้วเราเป็นเราจะทําอย่างไรกับนะสภาพร่างกายแบบงีิตแค่นะเปลี่ยนวิธีคิดเนี่ยมันเกิดท่องทางแต่คิดอย่างเดียวมันยังไม่พอมันต้องมีการปฏิบัติตัวเองด้วยนะจะไปวัดตัวเองเนี่ยแค่คิดเอาไม่ได้เลยต้องลงมือทํา ก็เลยช่วยตัวเองก่อนเลยทำงาได้ช่วยตัวเองแนวทิศว่าเองจะกระตั้งงตัวเราดื่มนะ้ำทานข้าวช่วยตัวเองให้บ้างนี่คือช่วยทีด้านร่างกายต้องมีา ก, การกระทําแต่แค่ร่างกายเท่านั้นแต่เราก็มาช่วยที่ด้านจิตใจเนี่ยจิตใจเนี่ยมาทําความรู้สึกตัวเนี่ย มายจารณิติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวง่อเขียนนีห ล, ละน อ, นอยู่ที่บ้านนโดยมหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยเป็นพุทธิแนะนำวิธีการเจารณิติแบบเคลื่อนไหวก็ทําดูนอน้อยู่ที่บ้านตั้งใจทำความรูควคือต้องตั้งใจนะถ้ไาไม่ตั้งใจในใจมันไม่ตั้งต้องตั้งใจทำเลยไอ้ตั้งใจทำเนี่ยมายจาสติเป็นฝ่ายกุศล ความตั้งใจตั้งใจทำให้กันมะาเคลื่อนไหวกายให้มันรู้สึกตัวกายเคลื่อนไหวใจรู้มักายเคลื่อนไหวใจรู้รู้ที่ปัจจุบันว่าเคลื่อนไหวทางใดให้มันรู้สึกตัวว่าขยัำกายใจรู้ทันเลยะใจมันก็ทำความรู้ตัวกายก็มีการเคลื่อนไหวนี่คือส่วนร่ากายนะกายเคลื่อนไหว ให้มันรู้สึกให้มันเป็นปฏิบัตินะฮะเวลาจิตมันลักคิดไปแอ้เราก็รู้สึกในความลักคิดกะคับทิดไปเลยเพราะจิตมันคิดรู้กับทิ้งไปเลยแทแล้วก็มารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวมาเวลาจิตมันคิดไอ้คำว่าลักคิดเนี่ยคือไม่ตั้งใจคิดนะเป็นภาษาอารมณ์พ่อความเขียนคือลักคิด แบบไม่ตั้งใจคิดแบบคิดขึ้นมาไอคนที่ทุ่มมันรักคิดเยอะแล้วเราทุกคนก็รักคิดอะไง้ยคือคิดแบบไม่ตั้งใจคิดไอตัวรักคิดเนี่ยมันหลอกให้เราทุ่มนั้นให้รู้ทันความรักคิดของตัวเองเพราะจิตมันไม่ได้ร่างคิดเราก็มารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวตั้งใจลูกกายเคลหมเพราะจิตมันราคิดให้มารู้สึกแนจวิงไปเลย แล้วก็ควมรู้สึกตัวใหม่เพราะจิตมันรักคิดรู้สึกแล้วก็คิดเป็นแล้วพอรู้กายด้วย่อนไหจิตผู้รู้มันก็เป็นกลางกลางนะโดยจิตไม่ได้ไปจับนะแต่มันเป็นกลางเองมันเป็กลางที่มันไม่เข้าไปทางกลายที่เคลื่อนไหวไม่เข้าไปในอารมณ์ที่มันลากคิดมันก็เตือมันจะกายที่มันเคลื่อนไหวโอ๊ยกายมันเคลื่อนไหวมันไม่ใช่เราเคลื่อนไห รบรู้ในแก้ับรู้รัทาบตอนเองิตระิก็โอ้แล้วมันักคิดีหนัรักคิดเติมากกายกันหมจากกายที่มันรักคิดอิสระมันก็มีความเปิดมาเนี่ยเมื่อเป็นปัจจุบันอยู่ตี้เมื่อจิตมันรู้สึกอยู่กับปัจจุบันนี่ไงไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคต ทุกมันก็ไม่เกิด น, นะไม่ใช่ไปดับทุกข์ที่ไหนนะแต่คนรู้สึกตัวที่ตายเค่ไหวรู้สึกที่ตายคิดโดยที่ไม่ติดอุปแต่งต่อไปมาทุกมันก็ไม่เกิดทางจิตทุ ก, มกไม่เกิดนอนะไรก็เช่นว่าเออมันก็มีความสมายมีความผ่อนคลายมีความรู้สึกตัวเป็นเคลื่อนอยู่ของจิตมันก็มีความปเมบายาวตัวยิ่งเราทำความรู้สตัวไปเรื่อย จนจิตเข้าถึงความรู้สึกแ ท, ท้ๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับกา ร, รุรงต่างใดๆจิตมันก็ได้มีความสุขแต่แท้จิงมันก็มีความสุขมีความเบิกบานมีความหอมใสด้วยสายเครื่องมือคือทางความรู้สึกตัวเจยๆมันก็มีความสุขได้เมื่อทุกข์ไม่เกิดถ้าเกิดความสุขขึ้นมาก็ทำต่อไปไรื่อย ก็รู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวรู้ท่าทางใจมันคิดนึกยิ่งรุนแรงก็เนี่ยมันก็เข้าใจเรื่องของกายเรื่องของจิตรู้เห็นเข้าใจเรื่องกายและเรื่องจิตเราก็ไม่ต้องไปยึดปัน้นไปปั้นให้เป็นทุกข์หรอกมีไว้กเพื่ออาศัยช่วยคลายอาศัยทําประโยชน์ อาศัยเป็นอุปรกรณ์ความว่าทำช่วยคนอือนที่เขาเป็นทุกข์มากกว่าเราบันดีทีเราเอาอุปรกรณ์ควว่าทำก็ไปพ่วยคนอื่นเขาเฟังถ้าทย่างนี้สิเขาจะได้ทุกข์น้อยนลดน้อยลงก็ไปบอกก็เป็นอุปรกรณ์ควว่าทำไปบอกทุกบลุทุกหลสมลจจะช่วยคนอือได้นนกันถ้าใครอยากจะพ้นทุกข์ อยากจะแก้ปัญหาชีวิตก็ต้องหานเหนี่ยมาทางกานฝึกทํามามรู้สึตัวนี่แหลพัฒ น, นาท่าที่มันรู้สึกของเราให้มันเปลี่ยนบ้างชีวิตผมเปลี่ยนครับว่าผมรู้สึกตัวนี้ความรู้สตัวเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตจากทุกเป็นไม่ทุกได้อย่างนกอทีตหาเลยเพว่าัะไรอดีหารคือทําจให้ถูก เปลีนทุบเป็นไม่ทุบได้แตม่มันเป็นปัญหาไม่หายไม่จำเป็นต้องห่อเกิดเดินการ ห, ห่อเกิดเดินอาการก็ยังทุบอยู่ไม่รีรออะไรนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ยังมีปัญหาชีวิตถ้าคิดวิธีการแก้ไขไม่ได้แนละ้วก็ทำความรู้ตัวเลยนะมันจะหมดปัญหาไปเอง ไอ้รองกันรู้ที่ทายทำไม่ได้พูดไอ้คิดยังทายทำเนี่ยเราก็ลุกเลยไปถินวันที่สิป็นปีสักกาังใหม่แล้วนะปีใหม่ต้องเป็นชีวิตใหม่เราคือผู้ที่มีบุญผู้ที่ชดีบบที่สามารถยืนยับคิดไปถึง ปัจจุบันนี้เรามีบุญและเราจะปล่อยให้บุญหมดไปต้องสั่งสมบุญต่อไปนะสั่งสมบุญต่อไปทางศีลทนาทําประโยชน์ส่นวนรวมอันนี้คือความให้ประมาะในชีวิตไอ้เรื่องความโกรธความทุกข์ความเศร้าอิจฉาห ย, ย, ยาบปาปาตกนั้นมันล้าสมายัย้ว อย่ามีในจิตใจเลยมันล้าสมัยไปล้วสมัยมันผ่านไปนะให้มันไหลไปกับน้ำไหลไยกับพี่กาวเลยไปใหม่องมีชีวิตใหม่เริ่มต้นต่อยอดชีวิตใหม่นะตั้งแต่ปัจจุบันนี้ชีวิตคือการต่อยอดไม่ได้ยากอยู่กับที่มันต้องต่อยอดชีวิตที่ผ่านมาแล้วมันเป็นฐานดีอยู่แล้วทั้งถูกทั้งปิดถ้าดีกันจชั่วมันเป็นฐานดีอยู่แล้ว แต่เราเนี่ต้องต่อยอดชีวิตนะฐานที่แลที่ผ่มปต่อยอชีวิต้นะให้ลืมเรื่องรายในอีตและกำลเริกที่ตกวมกันนาคตนะให้เรามาเดินชีวิตอยู่กับปัจบันด้วความรู้สึกตัวตื่นตัวกันที่ถึงความสุขอันรัศรจะเกิดขึ้นกับตัวเรานะ ก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่จัดงานและผู้ที่เข้ามร่วมฟังการปฏิบัติธรรมที่โรงพยาบาลสุน์ในวันนี้ก็เป็กแง่อะไรมาฝานอกจากความปรารถนาดีแง่คิดแล้วก็กำลังใจในการเติเตินชีวิตก็ขออวยพรให้ทุกท่านเนี่ยฝึกฝนคำความรู้สกตัว จนจิตได้พบกับปาทิหารคือความตื่นรู้เบิดปานมีดวงตาเห็นธรรมสิ้นทุกข์ก่อนสิ้นใจโดยกอนุทั้ทงทุกคนเธอ